ถอยหลังไปไม่ถึงร้อยปีนะคนส่วนใหญ่ในโลกเนี่ยก็เรียกว่าลำบากขาดแคลนมากรวมทั้งอาหารด้วยคนที่หิวโหยนี่มีมากมายนะไม่ว่าบุ่มไหนของโลกเนี่ยแต่ว่าการที่มนุษย์เราเนี่ยสามารถจะผลิตอาหารธัญพืชต่างๆทำให้อาหารนี่มีราคาถูก มีแคลอรี่สูงรวมทั้งน้ำตาลนี่ก็กลายเป็นของหาง่ายเนี่ยว่ามันช่วยลดจำนวนคนที่หวิวโหยภพายพร้อมลงไปได้เยอะเลยนะแต่ว่าในอีกด้านหนึ่งนี่มันก็ทำให้คนเนี่ยในยุค ป, ปัจจุบันนะเป็นโรคเบาหวานกันมากขึ้น รุ่นพ่อรุ่นแม่นี่โอ้ยที่จะหาคนที่อ้วนน่มีน้อยส่วนใหญ่ก็ผิวโหยกินไม่อิ่มอาหารที่ราคาถูกมีพลังงานเยอะนี่มันทำให้ความผิวโหยหมดไปแต่ว่าคนกลับเป็นโรคเบาหวานกันมากขึ้นนะแม้กระทั่งในชนบทเนี่ย ในหมู่บ้านเนี่ยเป็นเบาหวานกันไม่น้อยเลยการเดียวกันเนี่ยทุกวันนี้เราก็มีการงานที่สะดวกสบายมากขึ้นนะจำนวนมากนี้ก็ทํางานในสํานักงานเป็นข้าราชการเป็นผอค้าเป็นนักธุรกิจว่ามันสบายกว่าสมัยที่เรา รุ่นพ่อรุ่นแม่นี่ไปทำงานในไร่นาแต่ความสงสบายนี่มันก็มาพร้อมกับโรคนานาชนิดนะเช่นโรคอ้วนน้ำหนักเกินแล้วก็โรคหัวใจเนี่ยอันนี้มันแสดงให้เห็นว่าเนี่ยไม่มีอะไรที่ดีล้วนๆดีกับเสียงนี่เป็นของคู่กันคุณและโทษนี่เป็นของคู่กัน อาหารที่ถูกมีแคาลอรี่สูงนี่ก็ช่วยลดความมีหัวคนได้เยอะแต่ทำให้คนเป็นโรคเบาหวานกันมากขึ้นวิถีชีวิตที่สะดวกสบายก็ทำให้คนไม่เหนื่อยนะแล้วก็ไม่ลำบากแต่ว่าก็ทำให้คนต้องตายเพราะโรคหัวใจกันมากขึ้นนะไม่มีอะไรที่ดีเลยส่วนเดียวนะมันก็มี เสียให้ลองดูทั้งทุกอย่างนะแล้วก็มีตอนนี้นี่เขาก็พบว่าแม้กระทั่งการศึกษานะการศึกษานี่มันก็มีข้อดีมากมายนะอันนี้ไม่ต้องจารนัยแต่ว่ามันก็มีข้อเสียมีโทษเหมือนกันข้อเสียหนึ่งที่คนยังไม่ค่อยได้นึกถึงกันเท่าไหร่นะแต่ว่าเริ่มมีคนตระหนักกันมากขึ้นนะ นั่นคือทําให้คนสายตาสั้นมากขึ้นคนสายตาสั้นกันมากขึ้นอันนี้เพราะว่าในประเทศอย่างจีนเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันสิงคโปร์นี่ยตอนนี้เนี่ยเด็กสายตาสั้นนี่มีมากขึ้นเรื่อยๆ อ, อย่างฮ่องกงไต้หวันนะสิงคโปร์นี่ เด็กที่ออกจากโรงเรียนเนี่ยพอจากโรงเรียนนะ 80% เนี่ยสายตาสั้นในเกาหลีนี่หนักนะคนหนุ่มเนี่ยนะหนุ่มสาวเนี่ย 90% สายตาสั้นจีนก็กำลังเดินตามนะ 80% เนี่ยสายตาสั้นอันนี้รวมถึงยุโรปนี่นะประเทศที่ร่ำรวยแต่ว่าไม่ถึงขนาดประเทศในเอเชียที่กล่าวถึงเนี่ย เขาก็พยายามหาสาเหตุนะเป็นพ่ออะไรแต่ก่อนเราคิดว่าเด็กสายตาสั้นเพราะว่าดูโทรทัศน์มากอ่านหนังสือเยอะหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็ดูโทรศัพท์มือถือเล่นวิดีโอเกมอันนั้นไม่ใช่เหตุผลทั้งหมดนะเหตุผลที่เขาพบว่าเนี่ยเป็นตัวการสําคัญนะคือการศึกษานะหรือพูดอย่างนี้คือว่าการเรียนในห้องเรียน ยิ่งเรียนมากนะเด็กนะนะยิ่งมีโอกาสที่จะสายตาสั้นแล้วประเทศที่ว่านี่นะเป็นประเทศที่เด็กนี่เรียนกันมากเลยใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในห้องเรียนเรียนกลางวันไม่พอนะเรียนพิเศษเพิ่มอีกนะตอนเย็นหรือกลางคืนเนี่ยก็เ พ, เพราะว่าเนี่ยการที่เด็กเนี่ย เรียนหนังสือเนี่ยอยู่ในห้องเรียนเนี่ยซึ่งมันมีแสงสว่างที่ไม่ได้สว่างมากพอเนี่ยมันทําให้เด็กเนี่ยพอโตขึ้นเนี่ยสายตาสั้นซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ชัดนะในประเทศที่ว่ามาเนี่ยเมื่อเทียกับยุโรปนะยุโรปเนี่ยเด็กก็ไม่ได้เรียนหนังสือในห้องเรียนกันมากถึงแม้ว่า จะใช้โทรศัพท์มือถือถึงแม้ว่าจะดูโทรทัศน์มากพอๆกับประเทศในเอเชียนะแต่ว่าที่มันแตกต่างคือว่าในยุโรปเนี่ยเด็กเรียนหนังสือในห้องเรียนเนี่ยถ้าคิดเป็นชั่วโมงแล้วนี่น้อยกว่าในสิงคโปร์ในเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันแล้วก็จีนเนี่ยในการเรียนในห้องเรียนเนี่ยนะ มากมเนี่ยมันทําให้โอกาสที่จะได้ไปอยู่ในที่โล่งๆมีแสงสว่างมากๆเนี่ยน้อยลงและสำหรับเด็กเนี่ยนี่เป็นสําคัญมากเลยแล้วพอเด็กสายตาสั้นนะโอ้มีปัญหามากเลยนะเพราะถ้าเกิดว่าพอแม่ยากจนเนี่ยไม่มีเงินซื้อแว่นตาไม่มีเงินซื้อคอนแทคเลนนี่เด็กนี่ลําบากมากกับการเรียนหรือถึงแม้ใส่แว่นตาแต่คอนแทคเลนพอโตขึ้นเนี่ยก็จะมีโรค เกี่ยวกับสายตาเนี่ยพอถึงวัยกลางคนเนี่ยบางทีตาบอดเลยนะแล้วก็ตอนนีน้หลายประเทศในที่พูดถึงนะเกาหลีก็ดีสิงคโปร์ไต้หวันนี่เขาเป็นห่วงมากที่คนทั้งรุ่นเนี่ยนะ8ปดสิบ้าสิเปอร์ซ็นสายตาสั้นอมันส่งผลกระทบมากเลยแต่ก่อนนี่มันไม่ขนาดนั้นสายตาสั้นก็นแค่สิบเอร์ซนยี่สิบปอร์เซนแต่นนี้มันเรียกว่า แปดสเก้าอร์ซนลยแล้วที่เขมั่นใจว่ามันเป็นเพราะว่าการเรียนในห้องเรียนเนี่ยมีส่วนมากเพราะว่าในไต้หวันที่เขาทดลองนะให้เด็กเนี่ยเรียนในห้องเรียนน้อยลงแล้วก็ไปทํากิจกรรมในที่โล่งมากขึ้นเพราะว่าอัตราการเป็นอัตราการ่ทีสายตาสั้นเนี่ยน้อยลงใส่แว่นน้อยลง แพราตอนนี้เขาก็เลยมีนโยบายนะในประเทศอย่างไต้หวันเนี่ยให้เรียนในห้องเรียนให้น้อยให้ไปทํากิจกรรมในที่ลงแจ้งนะมากขึ้นเริ่มก็พบว่าเด็กที่สายตาสั้นนี่ก็ลดลงลดลงและนี้ก็เป็นข้อมูลที่พ่อแม่นะรวมในเมืองไทยด้วยนี่นะควรจะตระหนักไว้นะการที่ให้ลูกๆเนี่ยเรียนแต่ในห้องเรียน นะทั้งวันเลยแล้วไปต่อเอาไปเรียนพิเศษตอนเย็นตอนค่ำนี่ทำให้เด็กฉลาดทำคะแนนได้ดีนะแต่ว่าเด็กจะสายตาสั้นอันนี้ไม่พูดถึงเรื่องของสุขภาพอย่างอื่นนะเพราะว่าพอได้พออยู่แต่นน้องเรียนไม่ค่ยได้ออกไปข้างนอกไม่ค่อยได้ออกกาลังกายไม่ค่อยได้เล่นในที่โล่งที่กลางแจ้งเนี่ยมันก็เป็นโรคอ้วนมากขึ้น แล้วต่อไปก็โลกหัวใจต่อไปก็เบาหวานเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการที่ให้เด็กเนี่ยเรียนในห้องน้อยลงไปทำกิจกรรมมากขึ้นนะในที่โลกที่กลางแจ้งนี่ว่ามันดีกับเด็กหลายอย่างเลยทั้งเรื่องของตาเรื่องของสุขภาพเรื่องของกำลังวังชาแล้วก็อาจจะรวมถึงเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กับคน แต่ที่จะเก็บตัวอยู่แต่ในห้องหรือว่าเอาเก็บตัวอยู่แต่ในอยู่หน้าจอโทรศัพท์นี่จะเป็นข้อมูลใหม่นะที่พ่อแม่นี่ควรจะรู้ไว้นะจะได้ช่วยทำให้ส่งเสริมให้เด็กนี่ของตัวนี้ไปเรียนให้น้อยลงแล้วก็ทากิจกรรมในที่กลางแจ้งให้มากขึ้น